เราเห็นโทษในการแสดงอาเทศนาปาติหารดันนี้แลจึงอึดอัดขยะขยงเกลียดชังต่ออาเทศนาปาติหารสามเกวตตะอนุศาสนีปาติหารนั้นเป็นอย่างไรเล่าเกวตตะภิกษุในกรณีนี้ย่อมสั่งสอนว่าท่านจงตรึกอย่างนี้จงตรึกอย่างนี้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 นี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าเห ล, ล่านี้อาสวะนี้เหตุเกิดขึ้นแห่งอาสวะนี้ความดับไม่เหลือแห่งอาสวะ น, นี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะเมื่อเธอรู้ยอยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้